ศิษยาบทวิพังหนึ่งพันสคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์อาว่าภิกษุณีในความหมายนี้อาวาสที่ชื่อว่าไม่มีภิกษุได้แก่อาวาสที่มีภิกษุณีไม่สามารถไปรับโอวาทหรือทําอันเป็นเหตุหอยู่ร่วมกันได้ พิกษุนีตั้งใจว่าจะจำพรรษาแล้วจัดแจงเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้กวาดบริเวณต้องอบัดทุกขก์พออรุณขึ้นต้องอบัตปาจิตตี